พระสุตตันตปิฎกขุทกานิกายชาดกภาคสองเล่มสองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสสวรรณสามชาดกว่าด้วยสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมีพระโพธิสัตว์กล่าวว่า ใครหนอใช้ลูกศรยิงเราผู้ประมาตกำลังแบกหม้อน้ำกษัตริย์พรามแพทย์คนไหนยิงเราซ่อนกายอยู่เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้เขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ควรยิงด้วยเหตุอะไรหนอท่านคือใครหรือเป็นบุตรของใคร เราจะรู้จักท่านได้อย่างไรแนสหายเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกเถิดทำไมท่านจึงยิงเราแล้วซ่อนตัวเสียพระราชาตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนรู้จักเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราละแวนแคว้นเที่ยวสแสวงหามารึกเพราะความโลภอันหนึ่ง เราเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลป์ปรากฏว่าเป็นผู้แม่นยำนักแม้ช้างมาสู่ระยะลูกศรของเราก็ไม่พึงพ้นไปได้ท่านคือใครหรือเป็นบุตรของใครพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านจงแจ้งชื่อและโคดของบิดาท่านและของตัวท่านพระมหาสัตทุลว่าขอจงทรงพระเจริญ ข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์เมื่อยังมีชีวิตอยู่ว่าสามะวันนี้ข้าพระองค์ถึงปากมรณะนอนอยู่อย่างนี้ข้าพระองค์ถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศรใหญ่อาบยาพิษเหมือนมรึกที่ถูกพรานป่ายิงแล้วฉะนั้นข้าแต่พระราชาขอพระองค์จงทอพระเนตรข้าพระองค์ ผู้นอนจมอยู่ในโลหิตของตนเชิญทอดพระเนตรลูกศร อ, อันแล่นเข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่เป็นผู้กระสับกระสายขอทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ยิงข้าพระองค์แล้วจะซ่อนพระองค์อยู่ทำไมเสือเหลืองถูกข้าพระหนังช้างถูกข้าพระงาเมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์เข้าพระไทยว่าข้าพระองค์เป็นผู้ควรยิงด้วยเหตุอะไรเนอะพระราชาตรัสว่าแนสามะมารึกปรากฏแล้วมาสู่รัศมีลูกสอนเห็นท่านเข้าก็หนีไปเพราะเหตุนั้นเราจึงเกิดความโกรธพระมหาสัตทุลว่าจำเดิมแต่ข้าพระองค์จำความได้รู้จักถูกและผิด ฟูงมรึกในป่าแม้ดุร้ายก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์จำเดิมแต่ข้าพระองค์นุ่งผ้าเปลือกไม้ตั้งอยู่ในปฐมวัยฟูงมรึกในป่าแม้ดุร้ายก็ไม่สะดุ้งกลัวข้าพระองค์ข้าแต่พระราชาฟูงกินนอนผู้ขาดอยู่ภูเขาคันธเมศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัว เราทั้งหลายต่างชื่นชมต่อกันไปสู่ภูเขาและป่าเมื่อเป็นเช่นนี้มรึกทั้งหลายจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุไรพระราชาตรัสว่าแนสามะเนื้อเห็นท่านแล้วหาได้ตกใจไม่เรากล่าวอัมพรางแก่ท่านดอกเราถูกความโกรธและความโลภครอบงำแล้วจึงยิงท่านด้วยลูกศร น, นั้น เน่สามารถท่านมาแต่ไหนหรือใครใช้ท่านมาว่าจงไปแม่น้ำนาน้ามาท่านจึงมาสู่แม่น้ามิคะสัมมตาพระโพธิสัตว์ทูลว่ามารดาบิดาของข้าพระองค์ตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงท่านเหล่านั้นอยู่ในป่าใหญ่ข้าพระองค์นําน้ำมาเพื่อท่านทั้งสองนั้นจึงมาแม่น้ำมิคะสัมมตา อาหารของมารดาบิดานั้นยังพอมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของท่านทั้งสองนั้นจกดำรงอยู่ราวหกวันท่านทั้งสองนั้นตามืดเกรงจะตายเสียเพราะไม่ได้ดื่มน้ำความทุกข์เพราะถูกพระองค์หญิงด้วยลูกศร น, นี้หาเป็นความทุกข์ของข้าพระองค์นักไม่เพราะความทุกข์นี้อันบุรุษจะต้องได้ประสบ ความทุกข์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้เห็นมานดาบิดาเป็นความทุกข์ของข้าพระองค์ยิ่งกว่าความทุกข์เพราะถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศร น, นี้เสียอีกมานดาบิดาทั้งสองนั้นเป็นคนกำพร้าเข็นใจจะร้องไห้ยอยู่ตลอดราตรีนานจากเหี่ยวแห้งไปในกึ่งราตรีหรือในที่สุดราตรีดุดแม่น้ำน้อยในคิมหาดูจากเหือดแห้งไป ท่านทั้งสองนั้นจกเที่ยวบนเพออยู่ในป่าใหญ่ว่าพ่อสามะพ่อสามะเพื่อให้มันนวดมือและเท้าลูกสอนคือความโศกที่สองนี้แหละยังหัวใจของข้าพระองค์ให้วันไหวเพราะข้าพระองค์ไม่ได้เห็นท่านทั้งสองผู้จักสุบอดข้าพระองค์เห็นจักละเสียซึ่งชีวิตพระราชาตรัสว่าแนะ่สามะ ผู้เห็นกรลยาณธรรมท่านอย่าคร่ำครวญมากเลยเราเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลป์เรื่องลือกันในชมพูทวีปทั้งสิ้นว่าเป็นผู้แม่นยำนักเราจักทำงานเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านนั้นในป่าใหญ่เราจักแสวงหาของอันเป็นเดนของหมูมะึกและมูละพลาหารป่ามาทำการงานเลี้ยงมารดาบิดาของท่านในป่าใหญ่ แหน่สามะปาที่มานดาบิดาของท่านอยู่อยู่ที่ไหนเราจักเลี้ยงมานดาบิดาของท่านให้เหมือนท่านเลี้ยงพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่พระราชาผลทางที่เดินเฉพาะคนเดียวซึ่งอยู่ทางหัวนอนของข้าพระองค์นี้พระองค์เสด็จดําเนินไปแต่ที่นี้กึ่งเสียงกู่จะถึงสถานที่อยู่แห่งมานดาบิดาของข้าพระองค์ ขอเสด็จดำเนินแต่ที่นี้ไปเลี้ยงดูท่านทั้งสองในสถานที่นั้นเถิดข้าแต่พระเจ้ากาสิกราชข้าพระบาทขอน้อมกราบพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ยังชาวกาสีให้เจริญข้าพระบาทขอน้อมกราบพระองค์ขอพระองค์ทรงบำรงเลี้ยงมารดาบิดาตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ ข้าพระองค์ขอประคองอัญเชลีถวายบังคมพระองค์ข้าพระองค์กราบทูลแล้วขอพระองค์มีพระดํารัสกระมารดาบิดาของข้าพระองค์ให้ทราบว่าข้าพระองค์ไหว้นบท่านด้วยพระศาสดาตรัสว่าหนุ่มสามะผู้เห็นกัลายาณธรรมนั้นครั้นกล่าวคำนี้แล้วได้สลบหมดสติเพราะแรงยาพิษ พระราชานั้นทรงคร่ำครวญน่าสงสารเป็นอันมากว่าเราได้มีความสำคัญว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้เรื่องนี้วันนี้แต่ก่อนหารู้ไม่เพราะได้เห็นสามะบัณดิตทำกาละกิริยาความตายจะไม่มาถึงย่อมไม่มีสามะบัณดิตถูกลูกสอนอาบยาพิษซึ่งทราบแล้วพูดอยู่กับเรา ครันการล่วงไปอย่างนี้ในวันนี้ไม่พูดอะไรอะไรเลยเราจะต้องไปสู่นรกแน่นอนเราไม่มีความสงสัยในข้อนี้เลยเพราะว่าบาปหยาบช้าอันเราทำแล้วตลอดราตรีนานในการนั้นเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองคนทั้งหลายจะติเตียนเราในราวป่าอันหามนุษย์มิได้ ใครเล่าจะควรมากล่าวติเตียนเราคนทั้งหลายจะประชุมกันในบ้านเมืองจะให้เราสำนึกถึงกรรมใครเล่าจะให้เราสำนึกในป่าอันหามนุษย์มิได้พระศาสดาตรัสว่าเทพธิดานั้นอันตรทานไปในภูเขาคันธมาศมาพาสิทธคาถาเหล่านี้เพื่ออนุเคราะห์พระราชาว่า พระองค์ทำความผิดมากได้ทำกรรมอันชั่วช้ามารดาบิดาและบุตรทั้งสผู้หาความประทุษร้ายมิได้ถูกพระองค์ฆ่าเสียด้วยลูกสอนลูกเดียวกันเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะพร่มสอนพระองค์ด้วยวิธีที่พระองค์จะได้สุขติพระองค์จงเลี้ยงดูมารดาบิดาทั้งสองผู้มีจักสุบอดโดยทาในป่า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสุขติจะพึงมีแก่พระองค์พระราชานั้นทรงคร่อครวญอย่างน่าสงสารเป็นอันมากทรงถือหม้อน้ำบายพระพักทางทิศทักษิณเสด็จหลีกไปแล้ว